เพิ่งเข้าใจว่าการรอคอยใครบางคนมันมีความหมายแค่ไหนเพิ่งเข้าใจตลอดเวลาเรารออะไรมันนานแค่ไหนเมื่อได้พอเธอเธอปลิ่งคืนวันเดียวไดข้างกายได้มีไออุ่น เคยลมแผ่วเบาและมุนความรักจากเธอในวันที่เราสบตามือแรกเจอก็ทำให้ใจที่ล้เมาได้เจอกับความจริงที่ฝันจบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันวันที่ วันไว้เมื่อรู้ว่ามีเธอคอยจับมือฉันทุกวันเรือไปต้องเจออะไรยังไงก็ไม่กลัวต่อไปจากนี้ทุกวินาทีที่ยังหายใจจะไม่เธอหลุดลอยหายจากกัน ทิศใดจะจับมือเธอแ น, น่และกอดไว้ไม่ปล่อยไปไหนไม่ลายไม่มีวันไม่เป็นไรจะเป็นทางยาวไกลเพียงใดร้ายดีสิแค่ไหนไม่วังไว้ไม่เป็นไร แค่ไม่เธอคนเดียวในใจไม่ว่าวันไหนฉันก็ไม่กลูวจะเคลี่ยนวันเดียวดใดข้างกายได้มี่งอบด้วยลมแพวเบาละมุนความรักจากเธอในวันที่เราสบตาเมื่อแรกเจอก็ทำให้ใจที่ล้มละที่เอจอกับความจริงที่ฟันจะเผลา วันไหวเมื่อรู้ว่ามีเธอคอยจับมือฉันทุกวันเรื่อยไปต้องเจอไรยังไงก็ไม่กลัวต่อไปจากนี้ จับมือเธอหนาหรกดไว้ไม่ปล่อยปมลยนี่